มีลำดับมีข้อแม่กัอที่ไม่ก่อให้เกิดความทั้ง์เด็ดเฉพาะการณีได้แต่ถ้าอาธิษฐานเอาสาระเข้าตัวเองอธิษฐานเอาอาตภาพต้นนะว่าอาธิเมื่อเราไม่ได้อธิษฐานเอาโพกตสมบัติหรือหนึ่งดโดยโพกตสมบัติแต่เอาอาธิษฐานเอาคุณสมบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือบริสุทธิ์มากถ้าเราเอาคุณนั้นบัติตามคันร้องทางศาสนานี่ย แล้วเราไม่ไดใจรออกว่าอธิษฐานปุ่นนี้จะเอาปุ่น้หรปัญญาดีแต่ฐานในพันธิบุตรปุ่นน้หาจบปุ่นนี้แต่ฉั น, น, ใ, น, นในปฏิบัติกับรรลุญาณิปุกกัน ส, ส, ส, ส, ส, สี่รอบสองรอบสามรอบสี่รอบปุ่นนี้มาเลยนี้ยังนี้เราก็ใจเย็นๆเราอธิษฐานต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับพรพี่อธิษฐานแล้วเกิดความสําเร็จอย่างตามต้องการปัจจุบันทันบ่นในทุกๆเรื่องเนี่ยนะ ต้องเป็นคนที่ถึงคุณสมบัติสมบูรณ์แล้วอย่างเราเนี่ยได้บางเรื่องบางเวลานะแล้วบางทีต้องรอเวลาถึงจะได้เอาเรายกตัวอย่างว่าเล่ า, า ส, ส่วนตัวบางยึดยืที่ผมท้มาพูดธรรมะทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเกิดขึ้นจากการอธิษฐานอธิษฐานก่อนนอนทุกวนัวนทนะุน่ะสว ด, ดมนต์ไหว้ปลาปตานตมาที่อธิษฐานก่อนนอนทุกวัวนัวน เพราอธิษฐาน่เรากเพื่ออะไรคุณนึกว่าจะต้องมาทํำงานอย่างนี้อ่ะพี่อธิษฐานชัดเจนแล้วก็เป็นปกติก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งสามผลมุนว่าพระอาธิษฐานทิ้งหนึ่งสามนะเราก็เลยนึกว่าโอ้โหให้เราไปพูดห้านาทีเราก็จะตายแล้วตอนที่ขึ้นไปพูดอะไรรั่องแรกห้านาทีโอ้โหตายแล้วอธิษฐานไว้นี่ ไม่ได้มีผลเมียในสงบังเลยเราไม่รู้ว่อย่างนั้นนะแล้วคุณนึกว่าผมคงจะต้องเอาไว้กินชาแนลและอธิษฐานอย่างเงี้ยผมจะมาทําอะไรไม่ได้โดยพูดให้เขยเรื่องได้ไงขนาดขึ้นไปบ้านเล็ี่ตัวเองจํามไม่ได้พอมาถึงตุ้งหนึ่งหกก็มีคนเข้ามาขอลองวิ่งวอนให้แสดงทำสอนธรรมนะ เออเราบอกยังเรายังสนุกกับการเรียนการหาความเขาบอกเขาต้องการเราก็เลยจําใจแล้วก็เลยทําำร่อยปื่อยมาจนถึงวันนี้แล้วคงจะเื่วยเปื่อยไปเรื่อยๆแล้วร่วยไปยังกว่าจะเปื่อยนะ <c oughs> เราก็มาด้เบอร์ออกเกิดคงจะเกิดจากความที่เราได้ตั้งใจไว้อย่างนี้แต่ถ้าถามวันละทุกวันนี้ยังอธิฐานอยู่ไหมเรื่อยอธิฐานเลิอกอธิฐานกลับกลับใหม่ทํามาตั้ื่อยเลย ผลทุนการในสืาก็ไม่ได้พิสูจน์เลยอะอย่างอธิษฐานอย่างที่จะมีอยู่ในหลักของท่านที่จะได้กล่าวต่อไปนี่นะแล้วก็มาเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งดีสุดแล้วทุกคนควรจะปรารถนาอย่างนี้จะในมุมใดแง่ใดก็าตามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการนาออกเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับหลัก ที่ทําให้ชีวิตของคนแต่ละคนเป็นชีวิตประเสริฐนั่เวลาที่เราอธิษฐานที่ผมเคยบอกเราที่แล้วว่าตอนที่เราทําจิตเป็นสมาธิดีครับดีที่สุดเลยดีที่สุดแล้วตอนนั้นไม่มีเวลาใดโอกาสใดจะดีเท่าตอนนี้จริงอยู่ไหมว่าตอนที่เราจะทําบุญอธิษฐานเนี่ยตั้งจิตให้สงบโบราณเราตั้งจิตให้สงบไม่ใช่วอกวอกแวกกันนั่งอ่าน ตรวจน้ำนะงานตรวจน้ำนั่งอธิษฐานแล้ววาวงแบอย่างนั้นอานจะอานุภาพน้อยแต่ถ้าเรารู้เราทาแล้วไสบาทแล้วเข้า อ, องค์ละสงบผิดอธิษฐานนะก็ได้ไม่ได้เนี่ยเรารู้ด้วยครับมันไม่ใช่แค่เราอธิษฐานให้มันผ่านไปเรารู้ด้วย่าสำเร็จไม่สำเร็จตามว่าอะไรบอกเราพรลังสมาธิบอกเราด้วย หรือถ้ามีคนอื่นเขาจะมาบอกกับสิบเป็นปลายกับสิบตอนจิตเป็นสมาธิก็ได้ช่องที่จะบอกให้เราเห็นว่าได้ไม่ได้หรือบางทีเนี่ยมีภาพมาปรากฏเลยหมายถึงว่าบันดาลพระที่ท่านมีอำนาจิต ท, ท่านส่งพลังหองอะไรมาเนี่ยนะเราดีสารตอนนั้นดีเห็นหน้าท่านเลยเห็นนิมิตมาปรากฏเลยล้วก็ไปสอแสวงหาแล้วก็ที่ไปเจอบไปเจออะไรกันอย่างนี้เกิดขึ้นได้จริงๆ อธิษฐานเอาเป็นเรื่องจิตก็ก็ได้มั้งกันเป็นเป็นอย่างๆมันก็จะปโปรง่งอ่ะมไม่ใช่เอาตัวเลขเลนะว่าแหมแทงมาแล้ ว, วอขอสังเวยเถทะาำบุญตอนเช้าอธิษฐานแล้วความจริงเนี่ยนะฮะผมผมอยากจะพูดแทรกตรงนี้นิดนึงว่าการอธิษฐานเฉพาะจิตบางอย่างที่เรากลาบโลกเพราะว่าเป็นความโลกความโลกเนี่ยเอถ้าว่าถึงจริงๆแบบ ไม่เอาใครมาเป็นตะวางกีดขั้นเนี่ยกานที่เราต้องการจะทํามาค้าขึ้นได้รับเลื่อนยอศเลื่อนตำแเน่งอะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วเราทําบุญอธิษฐานนะไม่เป็นสิ่งผิดนะมันเป็นขั้นขวาท่นเองอิงเทรวนี้เป็นขั้นธรรมดาขั้นต่ำแต่เราบอกวอาผิดไี้ไม่ได้ทําไมละ่ะเรียกว่าคนที่สวยหาความสําเร็จ ด, ด้วยวิธีที่เป็นบาปอันไม่ควรตําหนิ ใช่ใช่ความสําเร็จนั้นลราหนีไม่ได้แต่ที่มาขอาคา ง, งความสำเร็จควรนั้นีเจงไม่เช่นชักหากระดูเขาหรือไปใช้วิธีใช้เล่กระเทอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้ความสำเร็จแต่ถ้าเราทําบุญหลักฐานเพื่อความสำเร็จเนี่ยม่ ว, ว่าจะแสวงหาความสำเร็จ ด, ด้วยวิธีทางบุญควรยกยอ่อมเยี่ยมนะ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 ส่งกระแสจิตไปรอบบ้านเนี่ยใช้พระวุฒิเจ้าเป้าบ้านทำปานุพาเวนะสังคานุภาเวนะนวนะยังนี้ถูกเลยหรืจะออกจากบ้านทีจะไปทํางานอริษฐานเราเราจะไปทำกิจอะไรก็แล้วแต่นะตั้งจิตตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยหันมาตั้งหันเข้าบ้านก็พุทธทางปกป้องธรรมังรักษาหันออกจากบ้านก็พุทธทางประสิทธิเมธำมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมธขอให้ความสาเร็จในกิจที่เราพรุงจะทําในต่อไปนี้ในวันนี้ จงประสบความสาเร็จทั้งแก่ตัวเราเองและบุคคลอื่นโดยเป็นส่วนรวมด้วยเถิดเนี่ยอย่าไปทำกิจอะไรก็ตามทำมาค้าขายเจรจาว่าความใช้พระพุทธเจ้าอย่างนี้นะควรทำหนีหรือไม่ควรทำหนี้ถ้ามีชาบาง ย, ยา ย, ยายาอ้าเอาชื่อโจนเอาชื่อใครก็ได้มามาเกี่ยวข้องไหมล่ะครับถอว่าเป็นพุทธานุสติ เราพระพุทธเจ้าในท่านไดศ้ศาสตรเราเราเป็นผู้อนุเคราะห์โลกทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมิกะตะและทั้งที่ทําอ่าที่เป็นสัมปรายิกะต า, าตัณฑ์อย่างนี้เลยคนอื่นกระโจพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามีจิตใจนเปลี่ยนผูกพันอยู่กับพระพุ ธ, ธรรมสงค์เนี่ยด้ยเรื่องต่างๆนี่เรียกว่าได้ใช้การถึงสา ร, รณะได้อย่างคุ้มค่าอย่าไป พ, พูดไปแหมอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เหนื่อยแย่สิ ให้ท่านพักผ่อนแล้วบ้างสีไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นเรื่องของพลังศรัทธาและกุฏิเจ้าในหัวใจของเราแล้วบางคนเน่แม้แต่จะบริโภคอาหารละรัมเนี่ยนะก็ยังอ้างอิงถึงตรงกุฏิเจา้จาโอ้แตอย่างนั้นพวกหายใจเข้าพูดหายใจออกท้อเพระกุทธเจ้าเวียนหัวใหญ่พี่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไปกลับเป็นสิ่งที่ดีนะบางคนก็บางสายก็สอนเดินย่างกลมแล้วหาย ยกพุทธเหยียบโท่โยอพระพุทธเจ้าไม่เหียบก็ได้ยกพุทธเหยียบโท่เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายท้องผูกยงใช่พาะพระพุทธเจ้าช่วยได้พุทธทางเป็นหมอทำมังเป็นยาสังคังรักษาหายปรได้เนี่ยมันเป็นการมีพุทธทานวิติธรรมานวสติในเรื่องต่างๆที่เหมาะสม แต่ไอตอนจะไปฆ่าแล้วตายหยาดจะไปทําบาปไ ม, ไม่ดีอะไรที่เป็นไปโดยทําแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายเรื่นี้เมื่อเราอ้างถึงที่ตั้งหรือฐานของการอธิษฐานจิตแล้วเราก็อธิษฐานถึงสิ่งที่ต้องการตในส่วนที่หนึ่งนะผมว่าตามที่ผ ม, ผมเขียนเนี่ยด้วยอํานาจแห่ง คุณญาณุภาพและคุณานุภาพเหล่านั้นคืที่ได้กล่าวถึงแล้วจงเป็นประวัติั จ, จแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขถึงพร้อมด้วยความสุขกายสุขใจโดยทำอยู่เป็นปกติมีโพคซั์อันเป็นเพื่องใจสอยไม่ขัดสนปราศจากโรคคาพาธพยันตร์ายทั้งปวงมีดวงจิตเบิก บ, บานแจ่มใสยอยู่เป็นนิจ จงเป็นผู้ไม่ติดยึดอยู่ในความสุขเหล่านั้นด้วยตัณหามานะและทิฏฐิจงเป็นผู้มีจิตน้อมน้อมไปเพื่อความสุขที่กระเสริฐขวาประนีตขวายิ่งยิ่งขึ้นไปอังเรื่องนะความสุขเป็นของดีความปลาถนาก็ทุกคนต่อรนานความสุขเหมือนกนันต่างนันนะ ตามฐานะมีสุขหลายประเภทที่กินก็อยากจะกินเป็นสุขนอนก็อยากจะนอนเป็นสุขตายก็ยังอยากจะตายเป็นสุขแล้วก็มีความสุขที่สูงขึ้นไปนี่การที่เราปรารถนาความสุขเนี่ยเพื่อความรอบขอบและถือเป็นความสุขที่สมบูรณ์ว่าความสุขแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั้นในทางหลักคือว่าเป็นเครื่องอนุเคราะห์เพื่อกลูนแก่ความสําเร็จความสุขยิ่งยิ่งขึ้นอย่างเช่นความสุขในฌาน ชานที่หนึ่งความสุขในชานที่หนึ่งเป็นที่ตั้งของความสุขในชานที่สองนะแล้วก็ความสุขในชาญทั้งหมดเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาสุขวิปัสนาสุขเป็นที่ตั้งของมรรคของผลมรรคผลเป็นที่ตั้งของนิพพา น, นาสุขขึ้นไปเป็นยันชาญแล้วก็ความสุขในชาญก็ตั้งอยู่บนปัจจัยสี่ใช่ไหมเนี่ยการกล่าวเลื่อนต่างๆนี้อยู่ที่โพค่ะเพราะฉะนั้นนักปราดเนี่ยไม่ใช่ว่าทันโลก อยากร่ำอยากรวยบ้าร่ำบ้ารวยที่ผมเคอยอ่านให้ฟังเราทีแล้วนะปรารถนาตัวจนนะแต่ท่านเห็นว่าไอ้เรื่องของโอคสมบัติเนี่ยเป็นเครื่องอปธรรมคุณสมบัติสมบัติมีสองนะโอคสมบัติกับคุณสมบัติคุณสมบัติจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่ไม่ได้ ดังลงอยู่ได้ก็จะลงขึ้นหน้ า, าก้าวหน้าไปอีกไม่ได้ถ้าไม่มีโควาสมบัติอันกําหนดแต่ปัจจัยสี่เป็นพื้นฐานหอังลับจริงไหมแม้แต่เรานั่งฟังมาฟังธรรมะแตยืนฟังไม่มีเก้าอีนะ้นั่งไม่มีอาคารอาศัยฝังก็ไม่ได้ครับไม่ได้กินข้าวมาฟังธรรมะไม่ได้ป่วยไม่มียารักษาโรค พอฟังธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้ดังเรื่องของความสักชั้นสําจึงเป็นที่ตั้ ง, งวางสักชั้นที่สูงขึ้นไปมีภูคะนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมั่งจากประวัติของท่านเวลาท่านเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีเวณมีกรรมอื่นมาแทรกนะอดีนาทานตำเก่าไม่มาแทรกท่านจะต้องเกิดมามีทรัพย์มีสินมีเงิ น, ม, งนมีทอง เป็นเครื่องอ น, เนเครื่องเื่องมือในการแจ้สอยทําบุญถูกไหมอันนี้เป็นธรรมดาก็ผมก็คนหนึ่นะผมก็ไม่อยากจนอ่ะอยากจะมีมีแต่มีเราไม่ได้คิดว่ามีเพื่อจะไปเที่ยวดูหนังดูละครไยสนุกสนานมัวเมาเอาเป็นที่พึ่งแต่เราอยากจะมีเพื่อใช้เป็นเครื่องอนุเคราะห์ตรงมัจจันอนุเคราะห์บุนกุศลแสวง ห, หาความสุข ด้วยอาด้วยธรรมที่เป็นธรรมด้จริงแบบนี้เอ่อเรานักดูนะว่าเราไปฟังธรรมมาฟังธรรมต้องลงทุนนะลงไม่ลงผมก็ลงมาแล้วเมื่อเช้ามาจากปากน้ำจ่ายค่าเล็กซี่อยู่สองร้อยลงทุนแล้วจะได้มาให้สะดวกเพราะมาเช้าก็ไม่ได้ แล้วก็มาอย่างก็รู้สึกว่าสุขภาพดีหน่อยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันก็โหนล้เมย์มาแต่วัานอาที่ย์ไม่ก็จะไหลหรอนะเรียนั่งมอเตร์ไซค์มาหัวก็จะกระเซิงอย่างบางังที่ที่จำเป็นต้องนั่งมันมันก็มีส่วนด้วยช่วยหรือถ้าเราม า, ามาอย่างมาศึกษาทำมากตัแพทย์เราเราก็ต้องหาอุปกรณ์ใช่ไหมบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีแล้วลองซื้อมาเห็นหนังสือซื้อมาเลยหมือนอย่างบางคนนะ่ะ ชอบศึกษาแต่ไม่มีมัมนซื้อหนังสือผมคัดหนังสือผมปกเป็นตาราชั้นสูงนะเรียนอริธรรมเนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทําฐานแล้วก็ขัดสนน่ะเราก็เข้าใจเขาเราก็ชวนไปบ้านให้หมดเลยหนังสือปกสาหรับตาําราสูงเหล่านี้คํำพีต่างๆนะที่เหมาะแก่เขาปัดถงปัดานอะไรล้วก็เจนะรียดๆนั่นมีหนําสัํายังดึงปากกาอีกเล่ม ปากกาอย่างดีให้ไม่ใช่ปากกาด้ามาสองบาทเราก็อยากจ่ายสนับสนุนก็ด้วยเอาบุญเขาด้วยแล้วก็มีหนังสั่งยังแถมกระเป๋านี่คนนี้ในเวลาก็ไปไปศึกษาธรรมะเขาเอาน้่งเอาคัมภีร์ใส่สูงกลาสติกยิ้วไอ้แบบไม่ใช่ยิ้วแบบรูปีอยู่วไปงี้นะแล้วเราก็เห็นน้งแหมยังก็ไปจ่ายตลาดมาก็ให้กระเป๋าเขาใบใหม่เราก็เลยได้ได้ใบใหม่มาที่เห็นเนี้ย เด้งๆอะนะเนี่ยเราก็ได้ช่วยเขาแต่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ความเจริญในธรรมความเจริญในความสุขต้องมีอุปกรณ์นะเราก็ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เราควาปรารถนาถ้าเราเอาสิ่งเหเ่านี่มาซื้ ด, ด้วยการทำบุญก็เป็นความสุขใช่ไหมหรือไปช่วยเลือคนอื่นเนี่ยเราเกิดสงสารใครแล้วก็ให้ก็ได้เต็มที่เนี่ยพอเมื่อโชคดีนะเป็นความฉลาด อย่างหนึ่งที่ว่าเมื่อมีจิตคิดปรารถนาจะช่วยเหลือใครแล้วก็ช่วยได้เต็มความปรารถนาของตัวมีศรัทธาอยากจะทําทบุญก็ทําได้เต็มศรัทธาของตัวเนี่ยเป็นความปรารถนาแบบมาเหนูอเมกนะคือคือพวกนีปรารถนาเหลือกินเหลือใช้ให้คนอื่นแล้วยังเหลืออีกเนี่ยเราปรารถนาอย่างนี้ดีเราก็ช่วยเมื่อวานนี่วันเด็ก ติดไปแล้วก็ทำเท่าที่เราทำนะสองร้อยเราก็ทาไปผมทําไปเนี่ยพวกทําแกเด็กมันก็เป็นความสุขตามภาษาคนรักเด็กนะไปเจอเด็กบาทีเจอลูกบางทีก็เราไม่ได้ซื้อของกินซื้อความสุขนะยกตัวอย่างเมื่อเมื่อวันซื้อมีตาแก่คนหนึ่งแกใส่เท่าแต่ถ้าทางโตมะแกหิ้วไอ้ข้าวเกลียบกุ้งหอนิดเดียวมาขาย มีวิูกีหอนะแกก็มาถึงโยโยนพลานาสยาวอยู่ครับจนเราลังคาอนะันนี้ใครเป็นคนทํามีส่วนผสมอะไรตาอะไรแล้วถามหอเท่าไรเรานึกว่าห่อละห้าบาทบอกหอสิบห้าหอสิบห้าเราก็ซื้อร้ว่าเราไม่กินหลักเราะเราไม่ถูกกับกุ้งซื้อเป็ความสุขไปงั้นแหละเราก็นึกว่าเดี๋ยวไปเจอขอทานเจอเด็กเราจะให้เอาบุญสองต่อเอาความสุขสังต่อก็พอออกมาเจอ ขอทานตามบอดเขากําลังเล่นดนตรีเราก็ทําบุญด้วยแล้วก็เอามันเห็นมีลูกมีลูกติดบางคนนะเราก็แ ล, เลยเนะั้นะนะให้เด็กไปแหม่มีความสุขเห็นมาใช้เงินยังมีความสุขเป็นอุปกรณ์ในการสแสดงความสุขเรามาเรียนธรรมะเรียนนักธรรมเสียสามร้อบาทเรียบางคนเราก็ชี้แจงคนที่เขาไม่ขอใช้ตรเนี้ควรยินดีอย่างยิ่งเลยพี่ เราต้องมาจับจ่ายเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการสแสวงหาสิ่งความดีเข้าตัวมันดีกว่าเราไปนั่งใช้เราไปเป็นค่าแท็กซี่ตัวยไปที่อม่มันก็ใช้งานแล้วไม่ได้อะไรใช่ไหมลนะ่ะนั้นใครที่มีโอกาสทำอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ไปสแสวงหาจะอะไรด้วยโภคสัพ์เหล่านี้เพื่อให้เราจะโดนดีความสุ ข, ขความดีทั้งหลายควรจะ ยินดีถือว่ามีค่ายิ่งกว่าเราไปใช้เพื่ออย่างอื่นนี่บางคนในบางทคีคิดเหนียวในสิ่งที่ไม่ควรจะเหนียวในแง่ธรรมะอย่างว่านะเช่นไปเห็นหนังสือทำอะไรหนังสือทำบ้าราคาตั้งสามร้อยใช่ไนะบางคนว่างั้นนะแต่ตัวไปซื้อไอ้ของในห้างมาไม่มีถนนราคาแล้วไม่มีค่าเป็นสาลาราคาตั้งอ่าหกรอยไม่พูด แต่บองหังสือทำมาราคาตั้งสาม <c oughs> ร้อยเฉลยมี้กเล่มเนี่ยก็ไปเห็นเขาแต่ก็คิดขึ้นคนละแบบแต่น่ถ้าเราคิดอย่างนี้ออกเนี่ยเราทาให้เราซื้อได้ทุกอย่างนะได้ทั้งบุญเป็นทานเป็นอะไร่ไอยู่ในตัวเสร็จอันก็จึงควรปรารถนาให้เรามีโภคะเพื่อเป็นที่อาศัยให้อยู่บนความสานึกอย่างนี้ให้สานึกเหนือชั้นไม่ใช่เพื่อติด อย่างคนโรคแท้ๆแม่กระ่ใจชีวิตมักระจายธรรมะเขาไ ข, ขว่คว้าสแสวงหากันและไม่มีใครเอาไปได้เรารู้มันเอาไปได้แต่เราจะทำอะไรให้มันเกิดสาระขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งภายนอกตอนนี้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เรายอมรับเลยว่าแม้ลองเป็นโลกแค่เป็นหวัดนี่ยังไปพูดธรรมะไม่ได้คอเจ็บไปพูดธรรมะไม่ได้ ฟังธรรมะเขาไม่ได้นะคอเจ็บแล้วไม่ได้คอฟังธรรมาไม่ได้เป็นหวัดก็มาหูร้อดีอยู่ธรรมาไม่ได้เรื่อสุขภาพีจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญเราจรึงควรปรารถนาเหมือนอย่างพระท่านให้พรว่าอายุวันสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงเราจะได้ใช้กําลังกายที่มีอยู่เป็นที่เรียกว่าเป็นอุปธิสมบัติไปในการสร้างคุณความดี ขนาดความชั่วสุขภาพไปดียังทำไม่ได้ได้จริงไหมมีเพื่อนเพื่อนบ้านก็ถามเพื่อนบ้านเออวเป็นไงวันนี้ที่บ้านเงียบจะไม่เห็นมีเสียงด่าเสียงบ่นเหมือนอย่างเคยกเมียปวดฟันระยหยุดดา่าโชคลาวปิดสถานีโชคลาว แล้วลงคิดดูการจะทําความดีเนี่ยมันต้องใช้กําลังใจกําลังกายขนาดไหนยิ่งเป็นความดีจันสูงนะขนายกําลังดีๆก็ไจะทํากันเลยแล้วกําลังไม่ดีจะไปทําไงเพราเราต้องปรารถนารักษาไว้ใครป่วยก็ขอปรารถนา ห, หายป่วยเนี่ยเมือบางคนแม้เราเห็นแล้วเราก็มีอยองค์เราคุมเลิกชนไปเลยฮะเลิกไม่มองเลยมีความดีแต่สุขภาพแย่มาก ชวนสามขนมาไม่ได้สามขนทั้งที่ที่ห่างกันเป็นเดือนนะเหตุผลที่มาไม่ได้คือป่วยสุขภาพไม่ดีปอวยเชื่อผมว่าอย่างน้อยซึ่หงห้องรองรับจักมาเมื่อท่านดีมากผมเลยไม่กล้าเชิญเชิญแล้วเราก็เสียหน้าต้องไปแก้ตัวให้คนเขาบอกว่าท่านมาไม่ได้เราก็เสียเสียหน้าเสียเราก็ไม่ได้กระเทือนใจนัง่งเราก็ ห่วงคนเขาอะห่วงความรู้สึก ข, ของคนนี้เราต้องมาผิดหวังในสิ่งที่เราโฆษณาไว้ว่าควรจะมาฟั ง, ง, ง, งเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อนก็ดีว่ามผู้พูนก็มีความรูด้ดีไม่ดีอย่างเดียวคือสุขภาพนะเนี่ยมีมีหลายหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วบางคนเวลาไปเข้ากรรมาฐานนะจองจองกันไว้เนี่ยเราไปถามดูจะครับบางคนมาไม่ได้ลูกป่วยยังมาไม่ได้เลยมีคนแล้วบางคนก็บอกตัวป่วยมาไม่ไ ก็ทำให้มาไม่ได้เหมือนกันมีความจริงไปเข้ากรรมฐานไปไหลายวันในป่วยก็ไปเพื่อหายป่วยพอได้เหมือนกันนะแต่อย่าให้มันเป็นโรคที่ต้องไปติดต่อคนอื่น <c oughs> น่าละกันเนี่ยในนี้ถึงมีโรคโรคคาพาธและอันตรายด้วยอันตรายทั้งหลายหมายถึงอุบัติภัยต่างๆถึงเราถือว่เป็นอุปสรรคขอให้ปราถนาห ย, ยุดไวอนอกจาก ที่เราจะทําความปรารถนาเฉพาะหน้าเฉพาะกิจเวลาเดินทางเวลาทําการใดๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเร า, เราไปพูดให้พวกพนัก ง, งานอย่างใกล้ๆนี่ก็มีที่ต้องทํางานเสี่ยงการอันตรายเราก็ต้องพูดให้ให้เขาอาธิษฐานตั้งจิตเป็นสติอย่างนี้ก่อนที่จะจับเครื่องไม้เครื่งมือทำงานอาธิษฐานป้องกันตัวเองไว้ซึ่งก็มีวิธีแต่เดี๋ยววันนี้มีเวลาจะลองชวนกันลองปฏิบัติอธิษฐาน ในแง่ต่างๆถ้าดีจะพูดได้ในโอกาสทั้งสองคนนี้ด้วยทีนี้ต่อไปก็คือลึกเข้าไปแล้เห็นไหมครับว่าในส่วนตั้งแต่ข้างนอกทรัพย์สินเข้ามาถึงร่างกายมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะแล้วเข้าวไปถึงดวงจิตขอให้มีดวงจิตโบกบานแจ่มใสยอยู่เป็นปกติหรเป็นนิจ เราเราต้องการหมมันมองไม่เห็นนะเหมือนเราไปอ้างเวลาเราไปพูดถึงการแสวงหาความสุขในแต่ชีวิตเนี่ยอย่างหนงเราบอกทาบุญการทาบุญใจบุญําให้เกิดความสุขคนมีคนก็มีคนก็ถงที่ไม่เห็นมองเห็นเลยแล้วเรามีความสุขเนี่ยก็หนึ่งมองไม่เห็นนะมันไม่เห็นหน้าตาเนาืหาไม่เห็นหน้าตื่นเต้น สู้เราไปเห็นคนเขาไปกินอาหารโต๊ะใหญ่ๆมีไก่ ย, ย่างหมูหนันเต็มๆนยังน่าตื่นเต้นกว่านี่ไปทําบุญมาไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นนี่เขาต้องการจะเถียงเราว่าแม้จะเอามาอ้างกันดีไอเรื่องหาความสุขการนําบุญนี่ผมก็เถียงเขาไม่ได้เถียงผมก็บอกว่าจริงนะไอความสุขอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องละเอียดอะไรที่เปนเรื่องละเอียดยิ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวหน่ะมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีพลังสูงมาก ยิ่งกว่ากินอาหารกินอาหารแบบหมดคำหมดสุขใช่ไหมล่ะกินมากเป็นทุกข์อีกแต่บุญเนี่ยมันสุขคาใจค้างใจเราตลอดทุกครั้งที่นึกถึงหรือยิ่งเป็นความสุขเข้าเส้นก็ยิ่งมันฉายแววออกมาเลยมันเหมือนกับความทุกข์แหละเราก็คงจะเคยไปวางบอกว่าเ้เรื่องแค่นี้ไม่เป็นน่ารุ่้ใจเลยเลยมาดูถูกความทุกข์เหรใช่ไม่ใช่แค่สอบตกแค่นี้ แค่ลูกสอบตกแค่นี้แค่ขั้นไม่ได้เลื่อนแค่นี้หรืแค่ถูกบนแค่นี้แค่ถูกด่าแค่นี้แค่รถติดแค่นี้แต่ความทุกข์ของใครที่มันมองไม่เห็นอย่างเนี้ยมันเป็นของใหญ่สาหรับคนที่เขามีความทุกข์ทุกคนแหละจริงไม่จริงแต่คนอื่เห็นเป็นของเล็กเนี่ยมันไม่เหมือนในความทุกข์ที่ไปถูกรถชนนี่คนอื่นก็เห็นตื่นเต้นกันหมด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 อยู่เป็นปกตินะไอ้บางคนที่มันตรงกันข้ามปกติก็มีเหมือนเราก็สังเกตดูหน้าบุบยูยี่เป็นปกติแล้วคนอย่างเนี้ยไปที่ไหนมันมีใครก็อยากคุยด้วยนานจริงไหมไม่อยากเข้าหน้าเด็ดซ้หน้าบุบยูยีมีคนไปที่ไหนก็มามีคนไม่ค่อยสบายใจมีคนตั้งก็รังเกตยจเพะเป็นบุคลิกอย่างนั้นไม่ใช่นานๆดีนะ อยู่งยีทั้งวันคงที่คุยจนสองหลังไม่หยุอ่ะแหละยิ่ง่ีแล้วใครเกาอยากจะคุยโดยคนแบบที่เป็นพาหนําทุกข์ไปสู่บุคคลอื่นตัวเองก็ทุกข์กกแล้วยังนําไปสู่คนอื่นนีแล้วมันเป็นการเพิ่มปัญหาชีวิตใช่ไหมตัดมิตรตัดเพื่อนตัดวกูเพราะว่าแม่แต่ปลายังไม่อยากมารับมีสบ่าเลยคนแบบเนี้อย่าม่ได้ไปถามลากันดูนะเขาคงไม่อยากจะใส่บาตด้วยอะ่ะไม่ใช่อะไร และที่เห็นเห็นก็คือไปทำคุณคนเขายังไม่อยากรับคุณเลยเชื่อไหมจริงหจริงอย่างมุดคนทำลักษณะเอาคุณน่ะมันคล้ายๆอย่างนั้นทำแล้วแบบํำไปแล้วด่าไปเนี่ยใครอยาก ใ, ให้ทาล่ะใครอยากจะให้ความช่วยเหลือล่ะเมื่อเราเราขอโดยสารรถใครเข้าไปสักคันนายูยี่นกะ็เปิดประตูรถเนี่ยแต่ตลอดระยะเวลาที่นั่ง นะติดไฟแดงก็ดา่าไฟแดงกระทบล้วคนอื่นปาดหน้าก็ดา่าร ก, กันอื่นกระทบอย่างนี้มันก็แย่มัมีใครอยากรับนี่คนที่ผมยกตัวอย่างเนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เป็นคนนอกวัดนะไม่ใช่คนในวัดแล้วเราก็เรียกว่ามองชะตาชีวิตเขาได้ว่าคนอย่างนี้ลุ้งลงยากเพราะจิตใจไม่เบิกบาน ถนงถ้าเรามีจิตใจเบิกบานแหมมันมันอยู่คนเดียวก็เป็นสุขอะนั่งหันไปทางไหนก็เป็นสุขมันมีความรู้สึกของแหมมันในหัวใจเราเนี่ยมีตึ้งมาตอมแล้วก็เพือปีกอยู่ในหัวใจนะมันรู้สึกยังไงก็ <c oughs> <c oughs> มีอันนี้ก็เคยคุยกับค น, นอาจารย์ทีมาฮิโดนก็าบอก <c oughs> เออพึ่งมันไม่ต่อยไอ้บ้างก็แล้ว อากายาวเอาอย่างนั้นเราเร่งอย่างนี้คนอื่นไม่เห็นนะคนอื่นไม่เห็นเราเป็นเรื่องลึกเหมือนกับความสุขขั้นภาวนานี่ก็ยิ่งลึกไปกว่า น, นั้นอีกนั้นนี่มันจึงเป็นภาวะจิตใจที่เตรียมพร้อมที่จะรองรับอะไรอะไรไม่ว่าจะไปทํางานทําอะไรก็แล้วแต่รองรับความสําเร็จทุกอย่างของชีวิตได้หมดเดี๋ยเราเราจะรู้เลย ซึ่งชีวิตเราเนี่ยบางทีพูดถึงคนห่างๆวัดหน่อยนานๆจะได้สักทีนะเช่นว่าปีหนึ่งได้ไปทอดป ร, ปราป่าสักทีถึงจะรู้สึกได้ทําบุญเลี้ยงพระที่บ้านสักทีถึงรู้สึกแต่มันไม่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกอย่างนี้เป็นปกติเหมือนอย่างคนที่ใกล้ชิดธรรมะใกล้ชิดศาสนาเนี่ยถึงผมยังชอบถามคนที่ใจบุญนะ แต่ว่าเจ้าของที่นี้ยังไม่ได้ถามแต่ว่าถามแล้วของตอบว่าเป็นไงรู้สึกเป็นสุขไหมนะรีบถามเลยอ่าเป็นสุขไหมเขาถามข้าราชการตอบว่ามีความสุขที่บ้านฝนหลวงนั้นถามแล้วบนฝนรับเติมมีใจแบบเป็นไงคือก็เช่าทำบุญนะใช้บุญมันทานแล้วก็ผมก็ทำเป็นไงดำเนินชีวิตอย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นสุขมแล้วก็ตอบแบบยิ้มยิเป็นสุขเป็นสุขเขาไม่ได้โก ไอ้ที่ผมถามมันหมายถึงสุขเป็นปกตินะไม่ใช่วบวบๆเหมือนอย่างคนที่ห่างศาสนาหน่อยถึงบอกอยู่เสมอว่าความสุขเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยเราเอาชนะมันได้แล้วความสุขเราไปจิตมันได้และเป็นความสุขที่ยั่งยืนด้วยก็คือการเข้ามาใกล้เชี่ยศาสนาแล้วเอาธรรมะไปใช้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งควรปรารถนาอย่างหนึ่ง เ, เรื่องของสุขภาพจิตไม่ต้องไปเดือดร้อนอยิ่งคนมีภาระมากมากมีวิสภาฆาปัจใจที่ทำร้า ย, ยจิตใจมากๆยิ่งต้องาำงงปรารถนาภาวะของดวงจิตในข้อนี้ให้มากๆอธิษฐานให้มากๆคือในสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคจิตอะไรๆกันเยอะการจราจรสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหากันมาก ทีนี้ในข้อที่เมื่อเราปรารถนาความสุขแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะหยุดยั้งอยู่เพียงแค่นี้เป็นหลักศาสนาเลยนะฮะว่าการเข้าถึงศาสนาเข้าถึงความสุขเข้าถึง ค, คุณความดีอะไรก็ตามเข้าถึงบัญญาตามอย่าไปเต็มอิ่มอยู่เพียงแค่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้มากที่แ ม, แม้แต่เรื่องของอาการเรียบเทียปศาสนาเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง เช่นว่าบางคนได้ลาบลกากาลาไปนานในสงและอย่าไปเต็มอิ่มแค่นั้นอย่าไปพอใจแค่นั้นอ่าได้ศีลก็มีความภาคภูมิใจมีความสุขในศีลบางคนก็เต็มอิ่มแกอยู่แค่นั้น mm. พวกเต็มอิ่มเนี่ยท่านบอมีแจ่อยู่แค่นั้นกับถอยกลับลงมามีสออย่างพเพราะเต็มอิ่มมากๆค่ะอันหามันเข้ามายึดทิศทีเข้ามายึดมาหน้าเข้ามายึดทําให้คุณธรรมเนี่ยตีกลับอย่ยงที่ผมพูดอยู่บ่อย เรานั้นเราจะต้องบอกตัวเองและเจียมตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ทุกวันนี้แม้เราจะมีความรู้สึกเข้าข้างตัวเองว่าเป็นสิ่งดีที่สุดแล้วว่าเสริิที่สุดแล้วธรรมะที่เรารู้ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราเยอะและ้วมากแล้วอันนั้นเราคิดเข้าที่ภาพในอนาคตจากความคิดเรามันบอกเราก็คิดอยู่แค่นั้นทำให้ใจข้างเราเนี่ยจมติดเมื่อจมติดความ สุขของเราก็ไม่เลื่อนชั้นไม่เลื่อนชั้นนี่คื อ, อยังไงอย่างคนที่ติดความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าลรงเพียงพอเต็มอิ่มอยู่แค่นั้นเขาก็มีแค่นั้นนะบางคนก็อาจจ ะ, สะแสวงหาความสุขมีความรู้สึข่ความสุขทีข่สุดยอดที่ควรจะเต็มอิ่มชุมช่มช่ต้องเป็นเรื่องความสนุกสนานมเมาในต่างประเทศ แล้วก็อยู่แค่นั้นแล้วสมมนึกของคนพูกนี้ก็อาจจะ เ, เกิดโลกประทัดในทางความสุขอย่างแคบๆเหมือนอย่างสมุติเราเราพูดว่าจั ก, กรวาลเนี่ยพอพูดคํานี้บางคนความคิดขยายไปแค่นี้มัคนคงขยายออกไปได้ไกลออกไปอย่างไม่รู้จบ แ, แต่แต่ใครจะมีความรู้ความเข้าใจแค่ไห น, นอนาณาจักรของความสุขเหมือนกัน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 เมื่อเขารู้จักความสุขแค่นั้นเขาก็ต้องการความสุขแค่นั้นเมื่อต้องการความสุขแค่นั้นก็ได้ความสุขแค่นั้นนะแล้วถ้ายิ่งไปติดไอ้ติดนี่มันทาให้อยู่แค่นั้นจมปลักอยู่แค่นั้นมีติดของท่านมีติดด้วยตัณหาอันนี้ทำให้หยุดอยู่กับที่และติดด้วยมานะตัณหามานะทำให้ยกตนข่มท่าน ไปยกตนขอท่านในบางทีความสุขหายเสียวความสุขเสียวความเดือดร้อนถูกเบียดเบียนถูกทาลายและสิ้นด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นผิดว่าอันนี้เป็นยอดของความสุขอันนี้รือหรู้ว่าเป็นเป็นความเห็นผิดเพราะว่าความสุขที่เหนือกว่านั้นยังมีอจริงอยู่แม้ว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่เข้าถึงเข้าใจ ว่าความสุขมันมีชั้นลึกอย่างตัวๆๆอย่างว่าความสุขสุดยอดคือความสุขในนิพานเราไม่รู้ความสุขในชั้นสูงสุดแล้วไม่รู้เราพออนุมานรู้ยิ่งลึกๆไกลๆก็ลำลายลำลายไกลตาไปทุกทีแต่เราอย่าน้อในทางหลักการที่พระพุทธเจ้าบอกและในทางการพอจะอนุมานไปได้ตามวิสัยสามารถของเราที่มีอยู่เราอาธิษฐานให้ตัวเองไว้ได้ว่า ความสุขอะไรที่มีสูงขึ้นไปกว่านั้นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นขอให้เราได้บรรลุความสุขขึ้นไปโดยลำดับโดยลำดั บ, ดดบเรามามองดูชีวิตจริงๆของเราบางคนเนี่ยอายุถึงเดือนนี้แล้วรุ่นเราถึงเพาเร า, เราแทนเราอะครรุ่นไหนก็เอาคนอื่นมาแทนเตี๊ยมอายุเขายังไม่เคยได้ความสุขไม่เคยรู้จักความสุขที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้จะลนไปตามอายุของเขาเลย ใช่ไหมบางคนเนี่ยอาจจะอายุแค่นั้นแต่ว่าเขาได้เจริญในความสุขเกินอายุเหมือนเกินอายุเขาไปโดยลําดับโดยลำดับทีนี้เรามามองตัวเราเองบ้างเราได้เจริญในความสุขมาจนถึงอย่างที่เราถึงทุกวันนี้แต่ละคนแต่ละคนนี่ก็บอกกันไม่ได้ไปลตองบอกกันแล้วนะกันมาจนถึงจุดนี้เนี่ย เราก็ผ่านเนะมันสารพัดแล้วความสุขอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเยอะแยะบางคนก็ได้มีชื่อเสียงได้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตจนกระทั่งถูกหลวงอับโลดลงมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊มันก็ไม่เป็นสาระนะมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นสาระเป็นแก่นสารในความสุขเหล่านะั้นเมื่อเขามาอ่า ได้พบความสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องอิงคนอื่นไม่ต้องอิงสิ่ง อ, อื่นเขาถึงได้เห็นเัราะั้นถ้ามีผมีข่ายการผู้ใหญ่บางคนพูดล่ะผมยกตัวอย่างรักท่านหนึ่งก็ได้ที่เป็นพวกพวกเรานี่าพลตรีเลิงพลตำรวตรีเลิงครูตาวาทิ์หลายคนก็จะรู้จักท่านก็รับราชการมา รูมอนจะเป็นใหญ่เป็นโตสูงสุดอยู่ที่ทำหลดกลมทางหลวงบางคนไปพูดที่นั่นและเห็นลูกมันอยู่นะลองรองบวยบวยคือคนปัจจุบันนี้ท่านไปนลองบวยกระเทือนไปแล้วท่านเคยพูดอยู่คําท่านบอกว่าแหมท่านก็เป็นเด็กวัดเด็กวัดเด็ก ว, กวมามันนะแต่ว่ามันก็เหมือนใกล้โดยกินด่างครื่องไม่ได้รู้จักศาสนาอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าศาสนามีอะไรดีวิเศษ อย่างที่มักเข้าใจได้อย่างปัจจุบันนี้ที่ท่านมาพูดอย่างปัจจุบันนี้ก็ว่าท่านได้ขยดตัวเองเข้าไปสัมผัสการปฏิบัติธรรมท่านถงพูดอย่างนี้เนี่ยเราฟังเราก็นึกในใจว่านี่ท่านได้แค่นี้ท่านก็พูดอย่างนี้อีกหน่อยท่านเลื่อนมันไปกว่านี้ท่านก็ต้องพูดมากกว่านี้เลื่อนมันไปกว่านี้ก็ต้องพูดมากกว่านี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วคิดว่านี่สูงสุดแล้วเพียงพอแล้ว แต่นี่ผมไม่ได้พูดท่านนะผมก็นึกฟังใครพูดเราก็นึกวิจารณ์เหมือนท่านฟังผมพูดล้วก็นึกวิจารณ์ท่านก็นึกว่าศ า, าสานามีเพียงเท่านี้ก็เป็นจุดหยุดเัมือนกันจุดหยุดของความคิดหยุดหยุดของความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ศาสนามีอยู่เราจึงต้องปราถนาให้น้อมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าไปติดหยุดจังถามว่าขึ้นไปจนถึงเมื่อไหร่เลยถึงจะพอ ถึงนั้ถึงเมื่อไหร่ถึงพอถึงปรมังสุขขังอะไรอะปรามังสุขขังนิพานังปรามังสุขขังนั่นแหละถึงจะเป็นจุดเพียงพอโดยที่เราไม่ต้องพอถึงจุดนั้นก็เป็นอั้นว่าถึงประโยชน์สารของการบรรลุความสุขในพระพุทธศาสนศ า, ศ า, ศาศนะไม่มียิ่งกว่านี้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วนะไม่มียิ่งกว่านี้ แต่ถ้าถอยลงไปกว่านั้นแล้วก็มียิ่งยิ่งขึ้นท่านไม่รับโดยฐานะที่เป็นความสุขสุดยอดเอาล่ะครับเราก็อเลยไปถึงการปรารถนาข้อที่สองในบทเขียนนี้ก็เขียนนำว่าด้วยอำนาจแห่งบุญญาณภาพและกุณุภาพเหล่านั้นที่ได้อ้างใดเบื้องต้นนะจงเป็นเพราะว่าปัจจัยกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าจงมีความดีถึงร้องด้วยคุณความดีอัน เหมาะสมตามควรแก่ตนบุคคลสังคมกาละและเทศะนั้นๆมีความเราพืชสะอาดโดยกายโสะเจยะคือมีกายกรรมสะอาดโดยวจีโสเจยะมีวจีกรรมสะอาดโดยมโนโสเจยะคือมีมโนกรรมสะอาดที่อยู่เป็นนิพอันนี้ก็เอาความง่ายๆว่าปรารถนาให้ทุกคนดี ที่มีคนดีเนี่ยถ้าในตัวเราก็มีทางดีอยู่สามทางดีทางกายทางวาจาทางใจอความดีที่ไม่สมบูรณ์อย่างที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยบางคนว่าเป็นอิทธารมเฉพาะทางวาจาแต่เป็นอนิจจารมณทางใจบางคนก็เป็นอิทธารมทางกายทางวาจาแต่เป็นอนิจจารมทางใจฟังแล้วเดาออกมาคือบางคนมันนิสัยแย่มากกิเลสนะแต่แต่เวลาพูดพูดเพาะ นะรู้จักพูดรู้จักเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่หาผู้น้อยการแสดงออกนะเขาลบนอกน้อมรู้จักอะไรดีอะไรดี ก, รกิริยามารยาชาติพูดดีแม้แต่ใจไม่ไม่ไหวนะบางคนก็ใจดีแต่ว่าอีกสองทางด้วยอย่างนี้รียกว่าเป็นความดีที่ไม่ครบสวรรคนที่ควรจะดีสมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นคนที่ดีครบสวรรค์ด้วยหลักที่ ถ้าศีลก็ทางกายทางวาจาสมาแล้วก็ภาวนาก็ทางใจ น, น, นี่ว่าตามคติของสิกขาไตรสิกขา้ายาๆอย่างนั้นเทียบกันนั้นมีใครบ้างมาอยากเปนคนดีไม่ใช่แต่คนเรวยงอยากเปนคนดีใช่ไหมนั้นความดีเนี่ยเอาละแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ชัดว่า ความดีจริงๆเคือบางอย่างเป็นปัญหาอยู่ที่เราต้องวิสูจน์นะต้องพิสูตรว่าเอ้นี่ดีจริงหรือเปล่าเช่นความประพฤตินอบน้อมดีจริงหรือเปล่าบางคนบอกโอ้โหผมไหว้มันจนมันหญิงเลยท่านผู้ใหญ่ที่หนึ่งกันบอกนะว่าไหว้มันจนหยิงเลยเลยชักสงสัยว่าอภิใจยน่านี่มันดีจริงหรือเปล่า ที่ว่าญิงเนี่ยถามว่าไอคนนั้นเป็นที่ชื่นชอบของคนในหน่วยงานมัมแหละบอกโอ้ยเขาหมันไส้มันทั้งทั้งกองเพรามันมาหญิงกับผมมาหญยิงกับผู้ใหญ่มาเจอหน้าผมเนี่ยผมผ ม, ผมคนนอบน้อมเนี่ยก็เป็นที่รักอะก็ไม่รู้ว่าผู้นอ้อยดีเจอหน้าก็เป็นคนนอบน้อมแต่ว่าไปเจอบางคนเขามันนึกว่าเราไปนอบน้อมกับมันไปให้เกียรติมันเนี่ยมันมีเศษกว่า มันเลยยิงพอเจอหน้ามต้องรอใหเรานอบน้อมมันก่อนคนอื่นเขาไม่เห็นข้าก็เลยเกลียดมันอ่าอย่างงั้นก็แสดงว่ายังใช้ได้ทีแต่มไม่ละเราไปไหว้คนชั่วเราได้บุญไหมเราได้บุญแต่ไม่ใช่ไปไหว้เพราะเอยเองชั่วขอไหว้ทีแต่ยอย่างนั้นก็ไม่จะ ไ, ไปสไปศรัทธาความชั่วแล้วไปไหว้ได้บุญนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราไหว้เพราะเราปราลารบอื่นเช่นปาลารบคุณของเรา อะไรอย่างเนี้ยเหมือนอย่างพระผู<ฮ>้<ฮ>มีพรรษาน้อยก ว, ว่าไหว้พระมีพรรษาสูงกวา่าด้วยวินัยบังคับด้วยความเคารพตนเองเคารพสี่งตัวเองนะทั้งที่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอาลัดจีแต่ก็ไหว้ไหว้หมันก็อย่างนี้เรียกว่าไหว้ตัวเองไวห ว, วยยนนะ้ให้ตัวเองไม่ใช่วหายให้เขาธรรมะนี่เรียกว่าเอาบัญญันินะปฏิบัติให้ตัวเองนะไม่ใช่ปฏิบัติให้เขา แต่คนเขาน่ะสำคัญว่าอาปาัจยนะของคนอื่นเขาให้ตัวทีนี้ความดีนั้นไปมันไปถึงจุดตันเหมือนกันความสุขถ้าคนที่ถึงความดีนั้นไปติดความดีด้วยอำนาจตันหามานาทิฐิที่เรียกว่าแข่งดีดีแล้วดีมาแข่งกันเสียไหม อย่างนี้เสียเลยเราเราก็ต้องมองแยกว่าเออถ้าในส่วนขความดีเป็นความดีแต่การติดความดีเป็นความเลวที่ว่ายกตนข่มท่านตัวเองมีความดีอย่างนั้นคนอื่นไม่มีความดีอย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นเรื่องเสียนาเราจะต้องอธิษฐานเผื่อไม่ให้ติดเลยเราจะได้ไม่พยองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่อง สิ่งซ่อนเล่นในจิตใจของเราเนี่ยสำคัญมากเวลาเรามองคนเนี่ยเราถึงต้องมองไอ้ตัวติดเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องความฉลาดมล้วกันบางคนฉลาดแต่มาน่าจัดทิฏฐิจัดจะได้วความดีนั้นไปมันไปถึงจุดตันเมืออความสุขถ้าคนที่ถึงความดีนั้น ไปติดความดีด้วยอำนาจตันหามาน่าทิฏฐิที่เรียกว่าแข่งดีดีแล้วดีมาแข่งกันเสียไหมอย่างนี้เสียเลยเราก็ต้องมองแยกว่าเออทาในส่วนความดีเป็นความดีแต่การติดความดีเป็นความเลวที่ว่ายกตนข่มท่านแตตัวเองมีความดีอย่างนั้นคนอื่นไม่มีความดีอย่างนี้อย่างนี้ กลายเป็นเรื่องเสีย่ยงและเราจะต้องอธิษฐานเผื่อไม่ให้ติดเนี่ยเราจะได้ไม่พยองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องสิ่งซ่อนเล่นในจิตใจของเราเนี่ยนะสำคัญมากเวลาเรามองคนเนี่ยเราถึงต้องมองไ้ตัวติดเนี่ยไมใ่ในเรื่องความฉลาดเหมือนกันบางคนฉลาดแต่มาน่าจัดทิ่ติดจัดความยึดติดจัดแต่ว่าคนฉลาดปราดเมืองแต่ว่าอันนี้ไม่มี เป็นคนที่เจียมตัวอยู่ตลอดเวลาและเหมือนบอกเลยอยู่ตลอดเวลาตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนนักปราชญ์อย่างที่เราเห็นในเมืองไทยเป็นอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเจ้าคุณเทพเนี่ยคุณเทพเวทีที่เรารู้จักเนี่ยนะผมเชื่อชมท่านตรงนี้ว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดแต่เป็นคนไม่ติดไม่ไมามีมานะเพราะความดีและความเฉลียวฉลาดที่ท่านมีอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก คนเราเนี่ยจะต้องเลยต้องค่านี่ให้ได้เราถึงจะเลยขึ้นไปแล้วก็เลยขึ้นไปเลยขึ้นไปในความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นกว่านั้นในความเพียรตัวอะต่างๆก็จะเกิดขึ้นในเพราะความดีที่เรามีอยู่ด้วยไม่ไม่เอาความดีไปกำแหงลดปลุหรือสำคัญว่าตัวถึงที่สุดสูงสุดแหละการอธิษฐานเนี่ทําให ามานาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอาทิตย์มานะอาทิตมานะคือสำคัญว่าตัวได้บรรลุโดยที่ตัวไม่ได้บรรลุอย่าไม่เกิดขึ้นรือเกิดขึ้นได้ยากแก่คนพวกนี้คราวนี้ข้อถัดไปก็คือ การอาธิษฐานอ่าเดี๋ยวจะพงตูดอีกนิดหนึงว่าในการใช้ความดีนั้แสดงออกไอ้ทางแสดงออกมันมีสามทางแต่โอกาสในการแสดงออกเนี่ยอันนี้บางทีเราพลาดกันอยู่เหมือนกันที่เราม อ, มองมองดูนะรวมถึงตัวผู้พูดเองด้วยเมื่อประเมินตัวเองในบางอย่างที่อดีตที่ผ่านๆมาและอนาคตที่เรายังมองไม่ออกอี ก, กอา จ, จะมีว่าสิ่งที่เราแสดงออกบางทีปลาบางคนปราลบว่าเราเนี่ยดีแล้วนั้น เอาความดีในที่หนึ่งกับบุคคลหนึ่งในฐานะ ห, หนึ่งเนี่ยไปใช้ไม่เลือกที่เลยนะอย่ายกนอย่างอย่างนี้คราว่าพอมาเรียนธรรมม า, มาได้ความดีอย่างในทางธรร ม, มสินทุก ข, ข้อมีหมดแต่ว่าเข้ากับคนในสังคมก็ไม่ได้เข้ากับคนในที่ทำงานไม่ได้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ย รุ้พวกชาวโลกเขาต่ว่าพวกเขาวันบางคนนะโอ้เราเข้าวันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคุยกันสองเรื่องทําต่ล้อกันแล้วทำไมยังเป็นอย่างนั้นไปแค่ว่าถ้าเราดูปัญหาคนคนนั้นมาเข้ามาแล้วก็เอาความดีที่ตัวได้เนี่ยไปข่มเขาข่มเขาเช่นว่าไปในงานกินเลี้ยงอะนั่งโต๊ะเขามีไอสุรายางมอต่อไปพูดเยอะ เมืองไทยเรานี่มันแย่เมืองพุทธแท้หลานเลี้ยงเห็นกินเหล่าบนเวทียังเอาเหล้ามามาเชดิเชดโวยวายเรื่องจิงที่ตัวคุณมันเรื่องหน้าคิดแล้วก็ถูกทําแต่ว่าเหมาะไม่ที่จะไปพูดในกาละอย่างนั้นไม่เหมาะไม่เหมาะเลยอย่างนี้เรียกว่าใช้ความดีไม่ถูกกาละไม่ถูกเทศะ <c oughs> พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงใจหลักว่าอะไรที่เป็นความจริงมีประโยชน์ยังต้องโบกาละเทศะ เป็นสําคัญนี่คือการใช้ความดีแล้วก็คนบางคนยังไงยังไงเนี่ยถบางคนเนี่ยถึงมีลักษณะที่เข้ากับใครก็ได้เข้าคนเข้ากับคนไหนก็ได้คือใช้ความดีเป็นแล้วก็เป็นที่นิยมนับถือของคนในทุกๆระดับไม่ใช่เฉพาะในวัดเท่านั้นแต่ว่าก็อย่าได้เข้าใจว่าก็เพราะคนพวกนั้นน่ะไปเข้าว่าคนกินเหล้าก็กินเหล้าไม่ต้องกินเหล้าก็าแล้วครับ ก็ค <muitas> ุยเรื่องหินเหลหรืเรื่องใช่ไหมไปเข้ากับหมู่โจรทำไม่จึงเป็นนุ่นเป็นโจรหรืออย่างล่าสมัยก่อนถ้ไปเอาโจรมาเป็นล่าสัตจงเยอะแล้วออย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ความดีเป็นอูเจ้าท่านถึงรับนิมนต์ไปเทศงานแต่งงานทั้งที่ท่านเป็นผู้ถือปรมจันทร์และกล่าวว่าการบุคคลปรมจันทร์เป็นชีวิตประเสริฐแล้วทําไมท่านถึงรับไปแต่งงานเรื่องานแต่งงาน และท่านก็ไม่ได้ไปเทศว่าคนที่มีชีวิตคู่การแต่งงานเนี่ยเป็นความชั่วชาตาิละเลวที่พระไม่ประพฤติแล้วมาเป็นธรรมของชาวบ้านเป็นธรรมของผู้วงเรือนเป็นธรรมในที่รับเป็นธรรมมีน้ำเหมือนอย่างที่ท่านเทศกับละท่งนเลยพูดอย่างทั้งท่านรู้ว่าที่ไหนคนยังไงเราก็ต้องรู้ ไปเจอพ่อเจอแม่มันคนก็หมาไปเบรกรอบเบรกแม่แค่พูดแล้วไป น, นะน้มนวนนะล้มนนที่โก้เดีย๋ยวนี้ว่าเนี่ยดูที่เนี่ยเรามีกันครอบครัวชวนน้องข้าวันน้องกับไปชวนพ่อพ่อกไปมีแม่อยู่คนเดียว ไ, มไหม <c oughs> อะไรไปแต่ว่าแม่ทีอยากจะให้ไปไว่ากันเลยท่านก็เลยกโกรธเอาอันนี้ก็เป็น เรื่องฐานะที่เราควรจะกำหนดรู้ในการใช้ความดีที่เราควรจะมีอย่างเหมาะสมอย่างนั้นตอนนี้เราค่อนเลยไปสู่ในส่วนต่อไปในบทเขียนว่าด้วยอำนาจแห่งบุญญาณุภาพและคุณานุภาพเหล่านั้นจึงเป็นภ า, าวะปัจจัยแก่พระเจ้าขอพระเจ้าจงมีปัญญาจึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ มีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งในทางโลกทางธรรมแคนนี้ก่อนนี่ฟังดูแล้วโลภแล้วเพิ่นโลภไหมไม่โลภนะปัญญาทางโลกีหมายถึงปัญญาในส่วนแห่งที่จะทำมิกระาบประโยชน์รรรรรรรรรที่จะทำให้เราเนี่ยได้มาซึ่งโภคะซึ่งการนำลงตกอยู่ในโลกอย่างเหมาะสมเราพูด ที่กตกยังเหมาะสมนะปัญญาในทางธรรมนั่นก็หมายถึงปัญญาในพระศาส ร, รมคือในปริยัติปฏิบัติและประิเวสเรียวกว่าเป็นปัญญาในทางธรรมอันนี้เขาเป็นคําพูดที่เราพูดกันในทางใไทยที่พระพุทธเจ้าตัสว่าบุคคลผู้สมบูรณ์จะต้องมีตาสองั้งคือตาหนึ่งได้แก่ตาสแสวงหา ปัจจัยเสืเครื่องอย่างชีมปัญญาดำรงชีวิตยอยู่ในโลกและปัญญาอีกข้างหนึ่งคือปัญญาในธรรมนีม่คนสมบูรณ์จะต้องมีปัญญาสองอย่างจึงว่าเมื่อหนุ่มก็สร้างเนื้อสร้างตัวสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโพคสมบัติเมื่อออกบวชนี่ถ้าคนจะออกบวชก็มีบันก็สแสวงหาธรรมบุคคลใดที่เมื่อหนุ่ม เมื่อมีกำลังแข็งแรงอยู่ไม่แสวงหาทั้งองอย่างคนนั้นเป็นคนที่ปลาชัยในโลกของสองย่อมซบชาอยู่มนนกกระเรียนแก่ที่ยืนหน่อ ย, อยอยู่ที่ตรมที่ตรมที่ปวดตรมไม่มีแรงจะจ้วงปากลงไปจิกเหยื่อเอามากินได้นี่เป็นพุทธพจ์ถัดไปในธรรมบทแล้วก็ว่า มีปัญญาบริหารตนให้มีชีวิตประเสริฐทั้งที่เราพูดพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเพื่อบริหารตัวเองให้มีชีวิตประเสริฐมีเป็นอุดมชีวิตคือชีวิตประเสริฐอย่างที่ว่าก็คือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ถึงพร้อมด้วยมหากรุณาที่คุณวิสุทธิคุณปัญญาคุณเรื่องหลักไปติกาศีลสมาธิปัญญาเราถอดออกมาเป็นอย่างหลัก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 ที่พระเจ้าได้สอนไว้ทั้งในด้านปริยัตอันนี้เราต้องการให้ครบชีวิตที่สมบูรณ์นีกครจะต้องครบแม้การเข้าถึงศาสนาการอย่างลงสู่ศาสนาก็าต้องครบไม่ใช่ปริยัตอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวการที่จะเกื้อกูลทั้งประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านได้มากที่สุดเนี่ยขอให้เราแตกฉานในพระปริยัติอย่างเช่นคําว่าแตกฉานหนึ่งครอบคลุมทั้งความใคลนในการสร้างธรรมการสมิจําทำอะไรหมดอะ เพรว่าบางบางคนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าชอบรักษาศีลแต่ว่าไม่ชอบฟังธรรมะหรือชอบบริหารศาสนาแต่ไม่เอาแบบไม่ไม่ชอบฟังไม่ชอบชอบชอบเอาไปชอบบวยาววจายอย่างเดียวมีตัว อ, อย่างมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ชอบฟังฟังฟังไม่ได้อย่างอื่นก็ไม่เอาแต่ว่ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องทาศาสนาแรือเปล่าบางคนก็ชอบมากกว่านั้นนั้น ปริญญต์นี่เป็นคำสอนของพระเจ้าเราจรึงควรจะทําชีวิตของเรานี้ให้ได้รับรู้ทรงจําและแตกฉานและแตกฉานในด้านปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรียนรู้ปริญญติมากๆแล้วปฏิบัติไม่ได้ถูกปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเพราะเรีย น, เ ร, ยนเรียนมากไปเสื่อที่เขาบอว่างเรียนมากไปก็เลยเอาปริยัต์มาเบ่งจนตัวปฏิบัติไม่ลงออันนี้อันหนึง่ง หรือบางคนมีลักษณะว่าเรียนปริญญาตเก่งแต่ในภาคปฏิบัติทําไม่ดีทําไม่เจริญบงคนนี้บอกเขาไม่มีบุญดังนี้ก็าสารภาพเลยนะมีคนไม่มีบุญดังนี้นี่เราก็เสียดายอที่เขาบอกผมเนี่ยเพราะเขาผมชวนเขาแนะนําเขาเขาอายุจะแปดสิบแล้วเวลานี้ก็ดูเขามีบุญดีก็บอกแหมนี่เราก็เรียนกันมาเยอะนะคำโปรงคำเพียอะไรก็เรียนมาแล้วน่าจะ ขยับชั้นหน่อยนะปฏิบัติบ้างเขาก็โลงออเลยบอกแม่ผมบุญน้อยบุญคงจะน้อยเพราะปฏิบัติ้ะทําไม่ได้เขาใช้คําว่าทําไม่ได้เนี่ยเราผงดูแลไม่ได้แปลว่าเขามีมานะแต่เขาทาไม่ขึ้นนทําไม่ขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิก็ทําไม่ดีแล้วก็ไม่มีความน้มเ อ, อยียงในดังนี้ด้วยเขาจึงยึดได้แค่นั้นนะ่ะเราก็เสียดาย นั้นถ้าถ้าสมมติเราไม่ได้เราก็อธิษฐานอาธิษฐานหนุนไว้เนี่ยถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่ปฏิบัตินะเราก็านิฐานบอกตัวเองไว้ทำบุญแล้วก็นิฐานขอให้เราแตกฉานทั้งวิยะปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทคือการแทงตลอดขั้นบรรลุสูงสุดเป็นลำดับสืบไปเราก็าจะเป็นคนที่ย่างลงสู่สาศาสนาได้อย่างครบด้านครบทั่ว ไม่ขาดขาดเกินเกินอันนี้จะเป็นประโยชน์ตัวเองและบุคคลอื่นต่อไปด้วยเพราะนั้นเราจึงควรอธิษฐานในส่วนขยับต่อไปนิดหนึ่งว่ า, าห้ามความยึดในที่ว่าเมื่อกี้เราอย่าไปยึดติดอันนี้ผมว่าผมเองน่ะได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในเรื่องนี้มากเพราะว่าได้อธิษฐานกำกับตัวมาตลอดในเรื่องนี้ทำให้เราไม่ยึดไม่ยึดในเรื่องอะไร หมายถึงไม่ยึดติดจนกว่าเราจะมีสุดแล้วก็ค่อยๆข ย, ยับระดับสติปัญญาอย่างในด้านบริยัตหรือปฏิบัติตามขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็รู้สึกว่ า, าที่เราอธิษฐานอย่างนี้สอดคล้องกันหลักคําแนะนําของพระพุทธเจ้าด้วยและสอดคล้องกับประสบการณ์ประโยชน์ที่เราได้รับด้วยถ้าสมมุติว่าเราไปติดถึงว่าเราเรียนอวิรชมแต่ช้านครบหลักสูตรแล้วก็สิ้นอวิชนามแหละ ยังเออไม่ฟังก็อยู่แค่นั้นทำให้เข้าใจอไม่ทำไม่แตกเท่าที่ควรด้วยแล้งหลายคนนะเรียนแล้ไม่ทำจบแล้วปฏิบัติก็ไม่ทำทานก็ยังไม่ทำก็ยังมีนะแล้วก็บางทีก็เกิดมานะที่อะไรยังนี้ก็มียังนี้ไม่ใช่เป็นความเสียของเราไม่ทาแต่เสียเพราะเสียที่ตัวคน เรียนมาครับก็ลงมาเรียนอะไรก็ดังนั้นนะ่ะถ้าเราไม่ปฏิเสธความยึดติดเราจะเป็นผู้ที่เรมยนรู้ ม, มากสงจำไปมากแต่บุคลิกเสียการแสดงออกเสียเข้าใจไหมปฏิบัติามากก็แสดงออกเสียเห็นละคมก็พัง่ะยกตัวอย่างที่อื่นนะที่สาย อันนี้เราฟังแล้เราคุกแหมทั้งสงสารทั้งรู้สึกเห็นใจอ่ะเขาสนใจเรื่องปฏิบัติที่น่แล้วก็ชอบเผยแพร่ทาไอ้โลนงโลเดียวอะไรนะเป็นสองแผน่นแแล้วก็เที่ยวไปยังที่ต่างๆไปบอกให้เชิญให้พูดเรื่องที่เขาแจแกปรากฏว่าไม่มีใครเชิญท่าที่ยังเล็กนับแปลว่าเขาบอกฟังเรื่อง การแสดงออกมีความยึดติดสูงว่าเนี่ยหลักที่ถูกต้องต้องอย่างนี้อย่างอื่นไม่ถูกดังอย่างนี้คุณจะไม่เคยฟังเลยที่นี่จะไม่มีใครเคยฟังเลยแต่อยากฟังเชิญผมพูดคุณผมได้ยินมาตัหูเลยนะแล้วเราควรู้สึกสลดใจว่าแม่เขาเขารู้ตัวเองมันเปล่าไหมรู้นะเราละเมาตาเขาอ่ะเมตตาเขาทำไม ดึงมาตันอยู่ตรงนี้อันนี้เรียกว่าความติดทําให้ไม่ได้สัมผัสกับข้อมูลในส่วนที่ดีกว่าเราจึงต้องอธิษฐานเพื่อลื่นตัวเองเพราะเราเต้องบอกตัวเองว่าเราไม่ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสารนุทุกอย่างนะและความดีความจริงข้อเท็จจริงนะมีเกินภูมิเรามากไอ้ที่เรารู้กาเราอาจจะรู้ยังไม่แจ่งังนั้นอันใดที่เราไม่รู้เนี่ยเอาไม่เป็นไรหรอกไม่แปลกอธิษฐานไม่กลัว อธิษฐานไม่ต้องเอามาเป็นข้อแม้เราอาธิษฐานได้เพื่อให้เราได้รู้อันนั้นรวมถ้อาอธิษฐานเรียกครูบาอาจารย์เนี่งนี่ว่าเขายงเรียกมาได้เรียกจหรับตําราเรียอะไรอะไรเราแวสวงหาได้เนี่ยแล้วมันก็จะมาหาเราเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเองอันนี่เป็นเรื่องของปัญญากไม่มีใครอยากโม้ คนที่บกพข้องเรื่องปัญญาอย่างเรียกว่าสอบตกในฐานะมนุษย์เนี่ยนะคือคนปัญญาอ่อนที่สอบตกมีใครอยากปัญญาอ่อนไหมไม่มีอะต่อให้ยกมรดกให้ทั้งหมดเราก็ไม่เอาแล้วมีคู่ครองปัญญาอ่อนเลยอยากได้เลยใช่ไหมลนะ่ะมีลูกเราแล้ว่ามีลูกปัญญาอ่อนแล้วมีอะไรปัญญาอ่อนมี อาจารย์ปัญญาสูงหน่อยแต่ว่าไม่สูงมากเราก็าไม่อยากเราก็ารู้สึกว่าไม่เบียงพอเราไม่อยากจะตามแค่นั้นเราต้องการคนมีปัญญาและต้องการให้ตัวเราในมีปัญญาที่ระดับของปัญญานั้นมีหลายขั้นหลายชั้นเหลือเกินเราอยู่ขั้นไหนเรายังจะรู้หรื อ, อยังก็ง ย, กยังไม่ทราเช่ถูกไม่ถูกทำให้ปัจจัยังมีทั้งติ๊กหกยาน ระยะเดืมถอยตามลงมายังมีอีกหลายขั้นเวลานี้เราอยู่ขั้นไหนเรายังไม่รู้เราจึงต้องอธิษฐานให้ขยบขึ้นไปขึ้นไปให้โอกาสแก่ตัวเองด้วยบุญบา ร, รมีทางนี้กรณีส่วนสุดท้ายก็คือที่ว่ามาทั้งหมด เ, เราอธิษฐานให้ตัวเองว่าอธิษฐานสร้างอัตภาพให้ได้อัสสัปติราชที่เป็นคุณสมบัติ อย่างดีที่สุดเราจะต้องอธิษฐานเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นด้วยในสิ่งเดียวกันท่านในบทอธิษฐานจึงได้เขียนว่ า, าด้วยอำนาจแห่งพุทธะแห่งบุญญานุภาพและกุณฑานุภาพเหล่านั้นจงเป็นประวะัจจัจแก่พระเจ้าขอให้พระเจ้าจงเป็นที่ตั้งอาศัย แห่งความผาสุกของชนเหล่าอื่นอันนี้ก็หมายความว่าเรามีความสุขเรอยากจะสุขคนเดียวหวงไม่อยากให้คนอื่นมีส่วนด้วยหรืออยากจะให้คนอื่นมีส่วนด้วยเราอยากจะให้คนอื่นมีส่วนด้วยเรามีความสุขว่าจะประสบความสำเร็จอะไรของทุกถือปฏิบัติหลักอย่างหนึ่ง มานานแล้วเมื่อทำงานเนี่ยอาเงินเดือนออกเนี่ยไอเงินเดือนขึ้นไอเงินออกในอย่างนะเงินเดือนขึ้นขึ้นเท่าไหร่ผมทำบุญหมดผมถือว่เป็นความสาเร็จความสุขที่ผมควรจะให้คนอื่นมีส่วนและถือเป็นการละทานก็ทำทำอย่างนี้แล้วเวลาเงินเดือนออกในแทนที่เราจะไปนึกถึงกินวิดียวสนุนสนานเที่ยวเตรหาเสื้ออะไรเราเก็บทาบุญกอน ได้ลาภผลอะไรมาใหม่ๆต้อรู้กถึงทําบุญว่าจะไปทําอะไรแบ่งไปทําอะไรแบ่งให้ใครนึกอย่งนี้ทาจนเป็นนิสัยจนเป็นนิสัยก่อนเป็นนิสัยติดตัวอย่างนี้คือแผ่แบ่งความสุขให้คนอื่นจริงๆเราคิดดูว่าถ้าเราเป็นที่ทางเป็นที่อาศัยเอาแค่งานว่าใครเข้ามาเห็นหน้าเราเขามีความสุขไหมหนี้าภูมใจไหมก็ใช้ภาษาโลกหน่อยนะเพียงแค่เขาได้ยินชื่อเราเขามีความสุขแล้ว น่าภูมิใจไหมเพียงแค่เขาได้เห็นลูกเราก็ามีความสุขแล้วน่าภูมิใจหมแต่ถ้ากลับตละลัดกันแค่เขาได้ยินที่เขาต้องไปล้างหูแล้วน่าเศร้าใจไหมเห็นลูกเ้าก็โอท้ทนไม่ได้ตาเหลือตาเปลีนเกิดความทุกข์ต้องขีกรูปจริงต้องย่ำยีรูปของเราเมื่มาเห็นเราเขาะสะบัดหน้านหนีถอยหลบหนีอะไรก็แล้วแต่เลย ปฏิบัติในทางปฏิเสธอย่างแน่น้าพอใช้ชีวิตใครสักคนลงเป็นอย่างนี้แล้วลองขยายวงกว้างออกไปออกไปเขาก็เหมือนอยู่ตัวๆคนเดียวในโลกเหมือ น, นอย่างที่เราพูดว่าคนที่รวยแล้วไม่แบ่งปันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้จริงๆครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเศรษฐีที่ดินแถวบางปีมันพันไร่แต่ลงที่อื่นด้วยนะ ไครเห็นหน้าแล้วก็เจ้าอ้วกกันทั้งซอยที่ตัวอย่างจริงๆนะชื่อเขาก็ดีอ่ะแต่เดี๋ยวเอ่ยชื่อจะไม่ดีด้วยชื่อเขามันมีความหมายว่าความสุขะนะแต่ว่าคนเห็นแล้วหน้าบุ่งหน้างอพกเพรจะแกเป็นคนที่ไม่เอาใครเนี่ยใครเจ้าเผาสสมอย่าไปแจกงานอย่าไปแจกการกันเลย จะบูนลูกอย่าไปแจกท้ากันเลยแกจะว่าบอกว่ า, วามีญาติโกและโทีิการอะไรกับผมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครแจกการเวลามีงานบุมงานกุศล <c oughs> และนังซื้อคิอ้วแกยังไม่อยากไปซื้ออ่านเลยแอวนั้นมีร้านค้าอยู่สามล้าน ไอ้ร้านหนึ่งซื้อไทยรัฐร้านหนึ่งซือในเลนิวร้านหนึ่งก็ซื้อดาวสยามแกจะไปทะเลาะแตเช้าอย่างครับซอยรถมอเตอร์ไซค์มันโยนหนังสือถึงแกจะไปรับนั่งอ่านอ่านไป่ใช่มองเลยไอ้เจ้าของร้านบอกผมเลยบอกว่าพอหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยแกต้องรีบรีบเก็บเก็บพอตาตาคนนั้นมาจะรีบซ่อนแกรีบซ่อนบางวันน่ะซ่อนไม่ทันเก็บไม่ทัน แกก็ทําหน้าไม่พอใจเขาใส่แต่ไม่ได้กล้าว่าอะไรนะเพราะยังไงก็ยังรวยอะ่ะตัวยังจน <c oughs> นี่เอาคนนั้นนะแกก็มัฟบ่นให้ผมฟังนะบอกว่ายิ่งเล็กนี่ไรู้เป็นอะไรเห็นหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทาหน้าบอกดูไม่รับทำไมต้องมาทําหน้าใหญ่อย่างนั้นด้วยผมก็ไม่รู้ในใจว่าอะไรแต่แกไม่รู้อะอยังเนี่ครับเรียกว่าคนที่มีความสุขก็ไม่แบ่งป นะฮะงั้นถ้าเราเนี่ยอดีฐานเผื่อไว้ว่าเรามีความสุขแล้วครับควรจะเป็นที่ทั้งความสุขของบุคคลอื่นก็ <c oughs> จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากเหมือนอย่างชีวิตในของในหลวงเนี่ยนะไปที่ไหนสเสด็จไปที่ไหนแปลว่าผลตกไปถึงที่นั่นความสุขไปถึงที่นั่นความร่มเย็นไปถึงที่นั่นพระพุทธเจ้าเหมือนกันโลกาลุกกรรมบายะ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 ตัวอย่างโดยโดยอ้อมก็หมายถึงว่าเขาเห็นคนนี้เออทําดีเขาก็อยากอยาเป็นตัวอย่างเกิดกาลังใจเกิดความโน้มเวียงเป็นเนติเป็นที่ฐานคติแก่คนอื่นต่อมาอย่างที่เราพูดมันยังยังเอ่อพระกูบาธรรมจักรพูกวัดท่านนั้นหมดเรียบร้อยเหมือนท่านหมดทำไมถึงเป็นอ่างั้นก็เพราะว่าท่านเป็นแบบอย่างพระสาอาจารย์มัน มาถึงเดือนนี้เรียบรอ้อยหมดก็เพราะว่าแบ่ท่านเป็นแบบอยา่างแล้วก็การแสดงโดยกรงที่เป็นหมายถึงไม่ใช่แค่นั่งอยู่เฉยๆให้เขาดูเป็นตัวอย่างการบอกกล่าวชี้แนะโดยกรงอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นการให้แบบทายแบบ แ, บบแก่บุคคลอื่นให้เขาเป็นคนดี ออันนี้ครับในแวดวงบางทีก็เป็นหน่วยงานหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนดีคนเก่งเนี่ยบริษัทบรงงานนี่จะคลยๆว่าได้บา ร, รมีติดไปสร้างธุรกิจของตัวเองได้แล้วก็จะอ้างวอาเป็นลูกศิษย์เป็นอผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานกับท่านบุญน้งบุนี้มานาเนี่ยออกไปขี่กองอีคนนึง จะมีลักษณะที่ถ่ายแบบไปเพราะอาศัยคนที่เขดีมากๆในหน่วยงานนั้นเป็นแบบอย่างอันนี้เป็นบพลังมากนั้นถ้าเราเองทําให้ต้างรู้หรือใครเราอยู่ในบ้านเป็นแบบอย่างแก่คนในในครวัวเรือนก็นับว่าดีแล้วเป็นแบบอย่างแก่ลูกน้องก็ดีแล้วไม่ใช่อย่างที่ผมเห็น เป็นร้านขายขนมปังลูกน้องกี่คนเข้ามามาเป็นลูกจ้างร้านนี้เสียหมดเลยมาจากวันนอรเสียอะไรรู้ไหมคูมบ้วน ห, หมดหน้าบูมหมดไอ้ใหม่ใมดีนะผมก็ดูใหม่ใหมก็เรียบร้อยดีลูกจ่ารับแขงทั้งในม่้องเป็นยังไงรู้ไหมเพราะเจ้าของร้านตั้งแต่เตีย่ยตั้งแต่แม่พี่คนโตพี่คเนเล็ก หน้าไม่รับแขกเหมือนกันหมดเลยแล้วพูดใจตามคำาต่าคำให้ลูกนองมาอยู่นานๆแล้วเบนหมดตัวที่แกจะรู้ถูวแกไม่คงไม่กลา้าถึงมปยิ้มกรเดียบแถาแกหาว่าท่านเล่นไปพูดดีก็ตะแกหาว่าพูดมากเลกก็เลยไม่กลา้าความดีหงอยหมดเลยแล้วก็สาไปก็คือ จงยังชนเหล่าอื่นให้ถึงอ่าอาจารทานโทษะจงเป็นผู้เผยประกาศเผยแพร่ซึ่งความรู้ความเฉลียวฉลาดแก่ชนเหล่าอื่นนี่ก็หมายความว่าขอให้เราในจงเป็นผู้ที่ให้ปัญญาแก่คนอื่นโดการพูดหรือด้ว ย, วยอะไรก็ได้แต่นะ การทําให้คนอื่นเกิดความเฉยแต่ละเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นหน้าที่เป็นกิจของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะทําอย่างนั้นรวมทวั้งวัดสงสาวกด้วยการที่ทําให้คนฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่คิดอย่างตรงกันข้ามกับคนชั่วนะหรือคนงอกที่มาอยากให้คนอื่นฉลาดเท่าตัวแต่การที่ทําให้คนในสังคมมีความเฉยแต่ละกันมาๆมันหมายถึงความสุขของคนหมู่มาก เหมือนคธอความดีของคนหมู่มากก็เป็นความดีเป็นความสุขของเราด้วยเป็นความปลอดภัยของเราด้วยนั่นเองนั้นอย่ากลัวครับอย่ากลัวว่าทาให้คนอื่นฉลาดแล้วเราจะเสียอย่ากลัวการเปิดเผยเคล็ดลับอันนี้คงไม่มีโอกาสขยายความว่าทาไมเขียนโบราณในหัวงกันนักหนาแต่จริงๆแล้วเป็นจริงของดียิ่งเปิดเผยยิ่งดี แล้วก็จะเป็นอันนี้สองตอบกลับเนี่ยเราศึกษาประวัติของคนนี้มีตำหรักตาราดีๆแล้วเปิดเผยมีเคล็ดลับทำอาหารดีๆแล้วเปิดเผยเนี่ยไม่จนนะไม่หาย น, นะคนที่บริหารงา น, นดีๆที่ประสบความสําเร็จที่เป็นพวกเดียวกับเรามานั่งฟังเราเปิดเผยแนะนำด้วยความเต็มใจไม่ต้องเอากระจาญขาวออแม้อาชีพเดียวกันแล้วเปิดคนรู้ัวยิ่งทํำยิ่งคืน ใครไปปรึกษาได้เลยเนี่ยอ่ะนีจะทํายังไงถึงจะได้รับความเขาจะแนะนำด้วยความเต็มใจเพราเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะให้คนอื่นเนี่ยประสบความสําเร็จอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมืนอนกับเขาเขาถึงไม่ห่วงครบรับไม่ห่วงอะไรมันจะปรับตลบปรัดต่อความคิดของคนโง่อย่างนี้ว่าพนอะ ต, ตัวตายก็ล้มหายตายไปด้วยแล้วไม่ได้บารมีติดแต่คนที่ปล่อยแพร บอกกล่าวแก่คนหน่นี่ยได้บารมีติดซึ่งมันตอบสนางอย่างกนค่ากว่าการที่เราจะปกปิดไว้ทั่วหวังผลในทางธุรกิจในทางทรัพย์สินเึ่ น, นทองถ้าเราเป็นสัญเป็นคล้ายๆเป็นดวงแห่งความสว่างของสังคมของบ้านเรือนของครอบครัวของนหน่วยานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และเราควรจะปราถนาตัวเองให้เป็นอย่างนี้นี่ถ้าสมมว่าเราเกิดมาแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ทงงําันก็โง่ก็งงก็หมดจะดีนะพูดอะไรก็โง่อธิบายทําให้คนไม่เข้าใจนั่งหงอยนั่งเหงาหลับกันหมดโง่หนักขึนไปจะดีไหมหยู่ไปทําทอะไรก็ทําให้คนบัญญาออกกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะไปขับรถก็เขียนผิดเป็นถูกเขียน อไม่ใช่ทางเป็นทางเห็นทางเล็กเป็นทางใหญ่อะไรอย่างเนี้ยจะดีไหมอย่างนี้คือพวกที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่พระเจ้าเราจะนำความหายนะใหญ่มาสู่ประชุมชน น, นํามิจฉาทิฏฐิความสําคัญผิดความเข้าใจปิดความนําอวิชชาความโงภเขาแก่ประชุมชนคนพวกนี้เป็นอันตรายของของประชุมชนแต่คนที่เกิดมาเพื่อสัมมาทิฏฐิใหญ่ต่อประชุมชนเนี่ย คนนั้นมาเกิดมาเพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกชนเราลองเลอกดูในสังคมเราสั้นๆทีมีคนฉลาดปราดมาเกิดเนี่ยเป็นเป็นสีแก่บ้านมุงเลยเป็นสีแก่โลกด้วยไม่ใช่แค่บ้านเมืองนะมคนดีอย่างมาหาสมาาุานทีนี่เราไม่ถือว่าันเด่นในแง่ฉลาดทั้งคนดีเป็นสีแก่โลกเป็นกําลังใจของโลก ที่คนเชื่อมชมกันทุกชาติทุกศาสนาอันนี้ก็เป็นในส่วนอีกส่วนหนึ่งอันเราจึงทําความปราถนาที่จะให้เราเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของส่วนนั้นสามส่วนนั้นจงถึงท้องแก่เขาเหล่านั้นจง เ, เร่องเรือนแก่เขาเหล่านั้นแล้วก็จงสดปฏิสถานมั่นคงแก่เขาเหล่านั้นแกมหาชัหมู่มาก ทุกภพทุกชาติที่เราเกิดนี่ไม่เอาแค่ชาติเดียวไม่พอนะ<ช>ไม่ใช่โลภมากเมตตา ม, มากการุณามากความเ ก, กลื้อกลุมมากที่เรายังเวียนร่ายใจเกิดอยู่เนี่ยให้เราเกิดในภพไหนชาติแม่ไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นไสเดือนกินกือเหมือนอย่างพระโบธิสัตว์ท่านได้แสดงภูมิปัญญาพาคณะพาบริวารให้รอดอย่างที่เราอ่านในชารยบกแม่เกิดเป็นสัตว์ ยังมีอุบายมีความเฉลี่ยฉลาดเกิดเป็นคนอย่างเราอ่านเรื่องมโหสถบัณฑิตใครมีความพุกขความเดือดร้อนมาเนี่ยท่านก็ช่วยได้เหมือนในจีนเตาบุญคินสังคมก็ได้รับความอบอุ่นเนี่ยเราไปเกิดที่ไหนเนี่ยกูว่าแม้เราจะเป็นคนตัวเปล่าเราเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรามีสามอย่างนี้แล้วก็เป็นประโยชน์แก่สังคมได้สามอย่างนี้ผมก็คิดว่าเราน่าจะพอใจยิ่งกว่าอย่างอื่น น่าจะยินดียิ่งกว่าอย่างอื่นเอาเงินทองเก้ีวแหวนเงินทองไม้เราท่วมโลก ม, มัมีราคาเลยนะแล้วก็ในเนี่ยในทุกชาติทุกที่ทุกสถานที่เราอยู่ขอให้เราได้เอกระทำรํำอย่างนี้ทีนี้คําว่าเราเผยแผ่เราแสดงออกเนี่ยมันไม่ได้แปละจะทั้งหมดพูดอาจจะพูดก็ได้อาจจะเขียนก็ได้อาจาย์ให้คําแนะนําก็ได้เราอาจจะชี้นําก็ได้ ชี้ผมทางสว่างแก่เขาว่าเ อ, อไปที่นั่นสิไปอ่านหนังสือเล่มนี้สิไปหาพระองค์นั้นสิต้งเทพมนี้สิอะไรอย่างนี้ก็เชื่อว่าเราได้ทำกิจอันนี้แก่บุคคลอื่นและเมื่อเราปรารถนาแก่ตัวและปรารถนาให้เลยไปถึงจุดนี้มันจะเข้ามาซ้าที่ตัวเราเองอีกเดี๋ยวเข้ามาบ้านมาทวีคูณท่านตัวเราเอง ถ้าสมมติเราปรารถนาขอให้ชาวเจ้าเกิดชาติไหนฉันไหนจงมีความสุขมีความดีมีปัญญาแต่เพียงผู้เดียวคนไม่รั่วไหลไปหาคนอื่นแม้แต่นแ้ต่น้อยคนอื่นนี้ได้ไหมจะมาเท่าเราไม่ดีเท่าเราไม่มีความสุขเท่าเราอย่างนี้มันลดขึ้นหรือมลดลงหรืมากขึ้นมันก็ลดลงใช่ไหมแล้วตัวตัวจะน่าภูมิใจตรงไหนมันก็ไม่น่าภูมิใจอ้า พูดไปพูดมาถ้าจะหมดเวลาแหละแล้วก็จบจบเนื้อหาในนี้ก็ดีเออมี ม, มีท่านยกมือจะถามหรือเปล่าก็อยอย่เปิดโอกาสในตอนใดรายการใช่ไหมอ่า บวชอ่าอันนี้เราไม่ได้ไปบอกคนอื่นนะไม่เราไม่ได้หมายถึงการแสดงออกแต่ที่พูดเนี่ยเราพูดเพื่อนให้ใช้กับตัวเองอย่างที่ได้ใช้กับตัวเองอยู่ว่าเรามีความรู้เราไม่ยึดถือไม่ได้อวดเหมือนเรามีของเราไม่ยึดถือการไม่ยึดถือของที่เรามีอยู่กับการอวดของคนละเรื่องกันเนื่งแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ยึดถือเราบอกว่าผมไม่ยึดถือ้วคุณยังยึดถือใช่ไหมละ่ะ คุณเร็วกว่าผมผมดีกว่ถ้าอย่างนี้มันก็อวดมันก็เป็นเรื่องของความแยบยลของกิเลสที่มันกินลึเข้าไปขวาธรรมดานะแล้วถ้าลองอวดแล้วก็แสดงว่ายังมีความยึดด้ยวยมานะใช่ไหมยังสําคัญว่าเป็นสิ่งวิเศษวิโสคนอี่เออเหนือ ถ้าไม่มีใครถามผมจะแถมท้ายสักนิดหนึ่งในเรื่องของการอาธิษฐานจิตเพื่อกิตบางอย่างซึ่งมีมากเหลือเกินนะเอาเป็นว่า อ, าอาธิษฐานเพื่อกิตบางอย่างเนี่ยเพื่อมันมีเพื่ อ, อขจัดภัยพิบัติอันหนึง่งแล้วก็เพื่อความสำเร็จที่จะพิ่มเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง พอาพวกัจารไพพิบัติเนี่ยหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะปกป้องทรัพย์สินอย่างบ้านเรือนของเราเนี่นะวิธีทําเนี่ยทํำยังไงเราก็ส่งกระแสจิตออกไปออาจจะให้เห็นเป็นอใหยขาวๆเป็นสายสินออกไปจากกระแสจิตเราเนี่ยโดยส่งออกไปพุ่งจากใจกลางจิตของเราไปรอบๆ บ, บ้าน ตั้งแต่พื้นดินพันครอบคลุม ข, ขึ้นไปเป็นยายเหมือนไข่ยายใ ย, ยของพวกไอ้ที่เขามาทำผ้าไหมอะไรตัวไหมใช่มตัวหมอนชักใ ย, ยคลุมกรองบ้านเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้ น, นลงลงอธิษฐานจิตลงไปด้วยให้ปลอดภัยจากภัยทั้งโจรภัยอักขีภัยวาตภัยอุทกภัย และภัยอื่นๆที่จะพุ่งเกิดขึ้นได้ขอให้เคหาสถานรวมหลังนี้จงปลอบภยัยโดยประการทั้งปวงเราก็อธิษฐานเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้ยิ่งนานยิ่งดียิ่งแรงยิ่งชัดริงดีแต่อาจจะครอบที่ด้วยก็ได้หรือบางทีก็ทำสมาธิแล้วกาหนดมันหมมเห็นตัวเองเนี่ยเดินเดินไป รอบรอบที่รอบรอบบ้านนะเราจะแต่งทายังไงก็ได้เรื่องของสมาทนี่เป็นเรื่องสมาธิแผ่ความปรารถนาต้องคาถาคุ้มบ้านอนะคากล่าวอาธิษฐานเนี่ยบางทีงไม่ไม่กล่าวเป็นคําพูด ก, ก็ได้กล่าวเป็นคําพูดอย่างที่ผมว่าอันเชิญรัตนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเทพพญดาลนะ แต่กุศลลจิตบุญของเราเอาทั้งหมดก็ได้ก็พระคุณพระธรรมปสงค์อย่างที่ผมว่าพุดทางปกป้องทางรักษาสังขังปลอดภัยนะปฏิฐานอย่างนี้แล้วอัญเชิญเทวดาดูแลเทพีดาที่สถิตอยู่ที่นั้นเอออ้างอย่างนี้เดี๋ยวบางทาง่านจะนึกว่าแหมเป็นเรื่องอลัมปลาเรื่องนมไงไม่ใช่นะครับพูดในทางหลักการ ก็ต้องกูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องมงมงายโวราณอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วอแล้วก็ถ้าต้องการเดินทางเป็นการเดินทา ง, ก, าทางก่อนจะเดินทางให้อดีฐานจิตนะห่างเอาพระพระาทธศาสนาในขอให้ได้หลุดรอดปลอดภยัยด้วยประการใดมพวกเราเคยปฏิบัติ ยกในอย่างคนหนึ่งเขากอธิฐาน ก, ก่อนก่อนจะลงยากบ้านแล้วก็ขับรถออกมาเอาม า, มาเปิดประตูรถแตกรสรากลรไม่ติ ด, ล ด, ดเลยไม่ได้ไปแล้วเขาก็มาดีใจที่หลังว่าที่รถมันเสียโดยที่เขาไม่รู้เหตุเนี่ย แต่เจ้าตัวนะเขารู้อย่างนี้เขาคนรุ่นใหม่นะไม่ใช่คนรุ่นเก่านะผมนะไม่รู้หรอกไม่รู้รายละเอียดแต่เขาบอกว่ารถเขาเนี่ยมีแม่นยนางเขาว่ า, างนันนะเขาเห็นประจํารถเขาด้วยแล้วคงจะมาทําให้รถเสียแล้ววันนั้นมันเกิดเหตุเพศภดเรายละเอียดผมจําไม่ได้นะที่ทําให้เขาดีใจว่ารถมาเสียในตอนนั้น อ่อันนี้อันนี้ก็เรียกเป็นการอนริฐานทีนี้ถ้าเราจ ะ, ะนึกง่ายๆก็นกแค่นี้ก็พออ น, นิฐานอย่างเนี้ยจะมีส่วนช่วยทำให้เราปลอดภัยแล้วถ้าในระหว่างที่เราอยู่ในรบเนี่ยเดินทางอันนี้ผมทำอยู่เสมอแผ่กระแสจิตเนี่ยออกไปเป็นยูงเป็นใยซึ่งเราสร้างมโนภาพในทุกอย่างนะบางทีก็หายใจ ให้ลมหายใจเป็นยงออกมาจากลมหายใจออกมาจากใจก็ได้คุ้มครองรถทั้งทั้งคันและทุกคนที่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกันขอให้ปลอดภยัยนะแล้วก็เส้นทางที่เราจะไปถ้าเรากําหนดรู้ล่วงหนะ้านี่ก็ยังจะได้มีเหตุเพศ่อไปแก่บุคคลผู้ใช้เส้นทางนี้นั่งก็ปลอดภยดัยดีเมื่อคืนก็ก็เัมจอกนกะัเจอรถติดาเอ มอตอร์ไซรถปิกอัพรถจักรยานเลกลางถนนเลยนี่แต่ไม่มีคนเป็นไหไรล้วคนเดียวเราก็ไปไนึกเห็นเหตุการณ์แล้วก็นึกว่าขออย่าได้เป็นอะไรก็สงใจเหมือนกันนะฮะเมื่อวานเนี้ยอย่างถ้าเราคพินึกอธิษฐานอย่างนี้เราไม่รับประกัน นะนนี่ว่าไม่เราไม่ต้องนึกในทางรับประกันความสําเร็จแต่การที่บุคคลนุกอย่างนี้แก่ตนเองและคนอื่นเนี่ยเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นบารมีที่จะกลับมาคุ้มคของตัวเองได้ในทางบุญในระยะยาวต่อไปด้วยอ่านี้เป็นอันหนึ่งหรือในการเดินทางไปในที่รกลก ร, รางก็เหมือนกันบางทีก็เราจะเดินไปอย่างเดินมุ่นมุด ในที่เปลี่ยวในที่เป็นอันตรายเราก็อาจจะกำหนดลมหายใจเนี่ยใช้ลมหายใจที่หายใจออกหายใจออกที่ยงก็พุ่งไปเป็นเส้นๆนะปัดขวาดขวากหนังงูงิ้งเขี่ยวคอที่อยู่ในที่นั้นให้หลบให้พน้นไปจากที่แห่งนั้นแล้วเราก็เดินไปถ้าที่ไหนก็ดูรับขันเราก็ไม่ใช่มากหน่อ จะเป็นที่อบอุ่นคือนั่นผมผมย้ำอีกครั้งนึงว่าการอธิษฐานแล้วได้ไม่ได้เนี่ยถ้าคนฝึกสมาธิอธิษฐานอาจารย์ได้มาที่นะยังมีผลมากและจะรู้ได้คำตอบแก่ใจตัวเองว่าได้ไม่ได้จะบอกเลยใจจะบอกเลยความอดใจจะเกิดหรือการจะไปเจรจาความอะไรก็ตามเราก็จะทำ อ, อธิษฐานอย่างนี้ ผมจะมาคู่ธรรมะเนี่ยผมก็จะทำเสมอมานั่งไม่ได้เคยมานั่งเออการเทศวันนี้จะมาคู่ขอให้คนตีกันเทศออกมา <c oughs> ไปเคยมันมีเพราะไม่ได้ติอยู่แล้ว <c oughs> แต่อาธิษฐานแล้วเราก็ไม่เราโมบอ่ะโอ้ขอให้คนมามืดฟ้ามอ ด, ดินไม่เคยคิดไม่ละไม่มีความคิดละโมบอย่างนั้น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 ข้อทํานั้นๆแล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาแม้ที่เราถ้าจะพูดเปรยพูดผิดอะก็ขอเขารู้นะในเดี๋ยวนั่งอยู่ในต่อไปก็ตามและเนี่ยยืนยันว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้จริงๆไม่เคยคิดจะมาหลอกหลวงเออเราแกล้งพูดอะไรผิดเพราะจะได้โง่จะได้หลงอะไรเราไม่เคยคิดอย่างนั้นก็ปรักปนาอย่างนี้เป็นปกติแต่ก็ ทุกที่ที่จะไปพวนไปจากเราค่อนรู้สึกว่าเราเปาเราไม่มีพันธนาการนะไม่มีพันธนาการอะไรกับใครทั้งนั้นเลยความโปรง่งความเบาของจิตก็เกิดขึ้นอันเนี้ถ้าท่านมีหน้านะที่อย่างอื่นมีคิดอย่างอื่นก็อธิษฐานได้และอย่าลืมว่าต้องเพ่งไปที่คนอื่นแล้วจะเพ่งเข้ามาหาเราคือเราต้องสองฝ่ายคนไปด้วยกันนะทํามาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่จะไปจ้องแต่คนที่พอมีแวลจะโกงราคาได้เหมือนอย่างพ่อค้าที่ไม่มีธรรมะเนี่ยนะเราก็อธิษฐานเปิดร้านจนมาอาธิษฐานไม่ต้องเอาไอ้แบงมาฟาดของมาขายที่เราเห็นนะไม่ต้องไปซื้อไอ้เราไม่ซื้อกล้าเลยนะแม่ฟาดเลย วาดไปรู้ว่าศาสตร์แล้วเป็นไงแม้แต่บ้อยอเวลาหยิบของให้เราอย่างที่ว่าขายช่อมืแม่เรี้ยงให้ลูกนาใหญ่ใหญ่ไอข้างหลังลูกเล็กวันจะงู้กหยิบใส่ใจทับขาลูกนี้แล้วลูกเล็กนี้จะมาก็เดียมาใส่ก็นไว้ยังแหน่ทำลายตัวเองจะจะเลนไม่จะเวนยาก จะเล่นก็ไม่จะเิ่นดีไม่เป็นความหาสือไม่เป็นที่รักของลูกค้านั่หละก็อพอดีเวลาเลยขอวิตติทนี้นะ